เทศโอบรมพระวันที่สิบสองกรกดาคมสองพันร้อยยี่สิบสองเทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ดีเข้มข้นดีมากแต่ต้นจนจบหน้าบีไม่มีอัดให้ใครได้ทั้งพระและครวาา บทหลท่านมากจนถึงขันมีมดบุดพ้นเป็นจิตเป็นใหไรงานนั่งสมาธิโดยจงโกมภาวนาถืองใดในโลกให้นักหรือเป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่า การทะทิ doorway, ors, Samantha, ้งใจของความไม่โปร่งใสโอวาปฏิโมกของพระพุทธเจ้าทุกทุกโองรวมยลงในหัวข้อสามประการนักบปาปัสสาะกระนังการไม่ทำความชั่วทั้งสอง กระสุบซ้ำประดาการยังจิตแต่ยงตนให้มีความฉลาดการทำละจิตแต่งตนให้มีความฉลียลายังกุศลนี่ถึงพร้อมควาหมายที่ยังความฉลาดทั้งผิพร้อมเนี่ยกุศลกุศลกุศลก็แปลว่าความฉลาดสกิตาไโยร์ปันังทละจิตทัง้งตนให ของแฝดถึงขัง้นิลยเอตังกุฏานัาสา น, น, นี่เป็นคำส อ, สอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหนัวัยนี่ของข้อใหญ่ๆพระอาวาสรวมลงสามบทนี้เป็นหลักใหญ่จากนั้นท่านก็ บาเป็นปริยาแต่อันประวาโดการกล่าวร้าคนอื่นอนุปการโตไม่ทําลายจัดในบุคคลอื่นปาจิโมเทจะสร้างวารทั้งรวมหนึ่งจะาบุญที่ไหนเรียบว่าปาจิโมเนี่ยเนี่ยอัตตาจะผัดตัดนิ่งรู้จักประมาณในการขบการใช้การฉัน การใช้การสอนตัดใจสิคำว่าให้รูจักประมาณคำประมาณก็ลงในความพอดีคือมัตติมาน Hill, <s ummer Gram ABS> ั่นแหละตอนจระใจน่าทางนั่งอยู่ที่นอนที่นั่งอันท่าน อธิกิเตจะเอาโยโุญย่ำกวาอีกทำจิตให้เป็นอธิกิตว่ายอดเยี่ยมนี่เลยตามวุทธรรมชาตินางอีกเหมือนกันนี่ก็เป็นการต่อสัของพษัยาทั้งหลายตรวจท้ายปฏิโมกข์วจหนาฮึ ตำหนักนั่นในข้อข้อทำของพกบิจัอ ย, ยาสับแต่ว่าอ่านไปเฉยๆจำได้ติดปากติดคอแล้วก่อนว่าเป็นขึ้นเป็นอันเป็นสมบัติของตนขึ้นมานั่นนั้นยังไม่ใช่สมบัติของเหลาแท้เป็นเพียงความจำวิธีการวิจารชื่อของทำ น, นันั้นมาไว้เพื่อดำลเลินตามให้ถูกต้อง เท่านั้นยังไม่จัดว่าเป็นสมมติั้งตนอย่างแท้จริงได้เพราะฉะนั้ น, นท่านจึงเรียกว่าปริยักษ์ในการณ์ที่ศาร่วเรียนกว้างแพร่เหื่อ ม, มากเห่ยน้อยเช่นไรเรียกว่าปริยักษ์นการที่ศาร่วเรียนทท่านั้นปฏิบัติ ที่สายวเราเย็นจำชื่อจำเสียงจำวิธีการของการแก้กิเลสการสงสมความดีการสงสมธรรมคือมรรคสี ม, จมาจิตปัญญาสาคัญให้เกิดขึ้นเป็นเรื่องของเราที่จะต้องดำเนินตามในปฏิบัติจนีงปฏิเวทะก็คือความรู้แจ้งไปโดยลำดับลำนาจนถึงขั้นรู้แจ้งแท้ตลอด ในสัจธรรมทั้งหลายโดยสมบูรณ์เป็นผลปฏิเวทความนี้แจ่แจงตลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติการปฏิบัติสืบเนื่องมาจากวิธีการตีการอทรมสั่งสอนนึ่งเราได้ศึกษาจากําหรับตาลาหรือครูอาจารย์เฉพาะ อ, อย่างหี่ศากอุปชายยะ มันก็เป็นปริยะานะการศึกษาเจส่าลมานาคนันตาตัโจโยรเป็นต้นนี่คือการศึกษาการเรียนกรรมฐานการเรียนงานา ง, งานของเรามีอะไรมีงานสำคัญงานรื้อพบรื้อจัหรือวัตถุสงสารรือ้อพิัดหา ออกจากใจต้องลื้ด้วยวิธีการอย่างนี้ก็กิเลสปัญหาทุกประเภทย่อมหลบซ่อนดีตามผมขุนเลือกปันเลือกันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการานที่สองเป็นที่หลบซ่อนของกิเลสได้ทั้งนั้นพระธานจึงต้องคลี่คลายเพื่อความเปิดเผยของสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามเป็นจริงของมันกิเลสก็หาที่หลบซ่อนไได้ รับอุบายของปัญญาเป็นผู้พคลายออกเอิดเอยออกหรือถอนถึ้นที่ปกหรือพี่ดกซ่อนของเสด็จทางหา้าก็เพื่อต่างๆออกโดยลำหนักนี่ภาคปฏิบาติอยู่ไหนอย่าลืมงานอันนี้ งานอันนี้เป็นงานละ เ, ละเ อ, อียดละอองานติดต่อสิดเนื่องไม่ใช่งานจะทำเป็นล่ำเวลาเหมือนหน้าแต่การงานเมืองหรือการเหมือนการทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนทึ่ทำตามฤดูกาลตามเวลาที่ทาตอนทัพาเลิกตอนเด็อนอย่างนี้นี่เป็นงานของโลกเขาทำกันงานแก้ปัญหาสิว่าที่เรียกว่างานของธรรม เพื่อความเป็นธรรมแฉว์ เ, เราจะนำวิธีการของโลกมาใช้มันขัดกันโลกเขามีรั้วเวลามีระดูการข้าราชการเขาเริ่มทำงานตั้งแต่เทานั้นมงไปเรื่อยเทานั้นมงโรงงานต่างๆก็มีเวลาปิดเวลาเปิดการทำได้ทำานาก็ทาตามระดูการ ทำรั้วทำสวนก็เหมืนกันงานของโลกเขามีเวลาเวลามเครื่องกหาหนดให้ทำงานและเลืองงานแต่งานของเรานี้เป็นงานที่ละเอียดละออเป็นงานที่หนักอยู่บ้างถ้าเราจะพูดว่านักแต่ไม่หนักถึงกับต้องให้เกิดความวิตนานและอาจีย งานนี้เป็นงานละเอียดเพราะที่เล็กละเอียดมากจึงต้องใช้ความพิานิจพิจารณาที่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินด น, นั่งนอนเย้นเสียะลับที่จุดวิสัยแค่เท่านั้นนอกนั้นให้ถืองานนี้ติด ก, กับความรู้สึกมีสติเป็นเครื่องกำกับงานดีเสมอยืออนก็ให้ทํางานกับอาการใดก็ตาม ซึ่งเป็นเครื่องสอบทอนที่ิตที่จะพิจารณาผมขนเนื้อฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือทัวสารพันร่างกายก็พิจารณาด้วยความมีสติปัญญาเป็นเครื่องสอบสอบแยกแยกคลี่คลายใหหลายสัรหลายคมหลายแง่หลา ย, ย, ลายมายัจึเรียกว่าปัญญาจะทาแบบทื่อๆไปเลยไม่ได้ ในขณะที่ยังไม่มีปัญญาก็ให้ใช้สติเป็นเครื่องควบคุมงานรวมกระแสของจิตเข้ามาให้ได้เพื่อความสงบด้วยสติโดยการทนานาในธรรมบุตใดก็าตามดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วนั่นเป็นวิธีการรวมพลังของจิตกระแสของจิต เมื่อรวมตัวเข้ามาสิ่จิตแล้วย่อมมีกำลังปกติของจิตจะต้อง้างแส่เรื่ อ, อยอดูอย่างนั้นตลอดเวลาหาความว่างไม่ทำงานของจิตคือความคิด ต, ตุงไม่ได้เลยนอกจากหลับสนิเทเสียแล้วนั้นถ้าไม่หลับสนิทก็ต้องมีคิดมีคุมฝันนั้นฝันยุ่งไปอีกนะมี่รวนแล้วตั้งแต่งานของจิต เพราะฉะนั้นผู้ทำการหรือฟื้นอัตทรรซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนือนิโรธะธรรมากรากดขึ้นจึงต้องพยายามส่งเสริมหรืออบรมมะะัคคะธรรมให้มีกำลังสตติก็เป็นมัคสมาธิก็เป็นมัคปัญญาก็เป็นมาค การประกอบความเพียรในท่าต่างๆก็เป็นมากสถานที่ที่เรื่องที่เราทำงานหรืสิ่งที่เราจับเป็นการเป็นงานเช่นเื่าลุมาเป็นต้นก็เรียกว่าหนะเดียกหวังหนะเรียกหวังมากา ม, ามัดมีอยู่ทุก วักทุกตอนท้าที่เจรนาให้เป็นมากถ้าจิตราทะจกสติเมื่อไรแล้วจะต้องเร่ร่อนอ่อนกำลังแล้วก็ไหลลงไปสู่ความดึงดูดของที่ดซึ่งมีอยู่ด้างเดิมครับโดยไม่ต้องสงสัย เพราะฉนั้นจึงต้องอาศัยการถูกการหน้าการบคัพปัญญาเพื่อจะให้ออกจากเครื่องดึงดูดที่เหลืกอาสวะทุกประเภทเป็นเหมือนกคำแม่เลยตัวสําคัญดึงดูดจิตใจของเราให้เครือบเครื่อหลงไหลไปจนได้สับโลกนี้ตายก็ตายเพราะที่เหลืเกิดก็เกิดเพราะที่เหลือทุกข์ก็ทุกข์เพราะที่เหลือวุ่นวายสับสนอะไรทั้งนั้นมีตั้งแต่เกิดขึ้นจาก วิเเป็นองค์ฐานสาคัญเราอยากเข้าใจว่าเป็นเพราะสิ่งอื่นใดเดิเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องทุ่มเทกําลังลงให้เพียงพอกันที่จะให้เรียกว่าเป็นความเพียรไปโดยลำดับได้มีความสืกต่อจนถึงกับว่าสตินี้กลายเป็นสัมปัตยัญญาขึ้นภายในตัวความะระลึกรู้เรียกว่าสติ ควา ม, มรู้สึกต่อเป็นลำนํำดับกับงานที่ตนทําหรือกํากับสิตให้จิตทำงานไปโดยมีความรับรู้มีเจตนานั้นแฝงอยู่โดยลำํำดับอา น, นเรียกว่าสติหรือว่าการทํางานโดยถูกต้องเรียกว่าความเพียรชอบหรือเรียกว่ามาัด งานนี้เป็นงานผิดกับโลกทั้งหลายยังไม่มีร่ำเวลาผู้ประกอบการงานนี้เพราะความมุ่งมั่นของเราเพื่อความพ้นผูกถ้ายิ่งความมุ่งมั่นมีเต็มหัวใจ้ดยแ้วาการงานที่ทำนั้นเพราะอำนาจแห่งความมุ่งมั่นหากดึงดูดกันไปเองมีความขยันหมั่นเพียร ความอดความทนตะเกียบตะกายไปเกินได้มากน้อยก็ไม่ถอยบึกบืนไปอยู่อย่างนั้น<า>เพราะอานาจแห่งความมุ่งมั่นมีกำลังมากเป็นเหมือนกับแม่เหล็กเครื่องดูดความเพียรหรือวิธีการที่จะเกลี่เลีทุกประเภทมีพลังมากขึ้นกา่าลียก้ออยาก ให้เรื่องของโลกใดๆที่เราเคยผ่านเคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดซึ่งน่าจะหายสงสัยแล้วอย่าให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันอันเป็นในลักษณะความเชียดายยังเสียดายมันอยู่มันก็ต้องด้นชุดด้ลละออกจากความเสียดายนั่นณะความดึงดูดของ ของโลกเปนกั น, น, นโลกก็หมายถึงพิเรนี่แหละสาหรับเราผู้ปฏิบัติไม่ต้องหมายเอาสิ่งอื่นใดเพราะพิเรน์มันเป็นสมมุติเครื่องถึกหน้าหิตใจลงอยู่โดยลำดับไม่มีเวลาเว้นเวลาพักผ่อนด่วนตัวเลยทิเรน์เราทำงานอย่างอื่นอย่างใดยังมีการพักผ่อนหย่อนตัวแต่พิเรน์ไม่มีการพักมันทำงานทั้งนั้นอย่างนั้น การบำเพ็ญธรรมจึงต้องได้อาศัยความขยันหมั่นเพียรความสืบต่อความอุตาพยายามชันท้าทีบอกไว้แล้วในอิธิบัติหรือพื้นเพยแห่งความสมําเร็จปุ่นงานหรือรากฐานแห่งความสาเร็จในว่างานใดถ้าลงมีอิธิบัติแล้วย่อมถําเร็จเป็นขั้ น, นตอนๆไปได้ ฉันทาให้มีความพอใจในความเพียรเพื่อความหยุดพ้นของตนวิริยะเพียงอย่าลดละในอียบทต่างๆ ต, งตงลอดถึงความคิดความตุง ใ, ใดๆพายายามตามสอดแท่รู้ความคิดความตุ่มของตนมาเป็นไปในนยน่ใดส่วนมากเป็นเรื่องของที่เหลืเกือบจะว่าร้อยเปเก็ได้ทางนี้สติ วิเวมันก็มดตัวบ้างเพกโะเพรสติมันก็ต่อยเราทันทีทันิตตาทันว่าเอาใจฝักไฝคืออยากให้ความรู้สึกคืยใจกับสติทางเหอนจากความเพียงซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของผนเพื่อความพ้นทุกข์มีความสดต่อต่อเนื่องกันโดยลำดับ มีที่เรียกว่างานของเหนาแท้วิมังสาปัญญาเป็นสิ่งสำคัญในการจะถอดถอนที่วิถธาภิฐานที่ทุกข์กว่าขึ้ให้เตียนโล่งออกจากปิตใจจะได้มีใจจะได้มีความสง่าผ่าเผยมีความผ่องใยมีความองอาจมีความรู้ความเชี่ยวชาญพอที่จะต่อสู้กับวิเยกได้เป็นลํานักลาดาไป จิตต้องมีสติมีปัญญาเป็นเจ้าของคอยควบคุมลำทางจิตอย่างเดียวนั้นไม่มีความรู้สึกดีชั่วประการใดผิดถูกอะไรก็ไม่รู้ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาเป็นผู้แนบนำเป็นผู้คอยสังเกตเป็นผู้คอยควบคุมรักษาจิตจิงเป็นไปได้ด้วยความปลอดภัด ถ้ามันมีสิ่งเหล่านี้รักษาจิตก็ต้องเป็นประจำ่องของกิเลสทั้งหมดถ้าไม่มี ส, ส, สติส ท, ทสสจ้จริงๆส่วนปัญญาไม่ต้องผุดสติเป็นของกำกับและ ร, รู้ว่าผิดว่าถูกชัว่วดีไม่มีภารยาแล้วเขาเ็าเรียกว่าคนบ้าคนบ้าที่เดินงวกงานๆอยู่ตามถนนห้นทาง ไม่ได้สนใจกับเรื่องความผิดความถูกใดๆไป ต, ตามภาษีภาษาของผล น, นั่นแหละคนที่มีแต่ิไม่มีสติไม่มีปรรัญญาเป็นความรับผิดชอบเป็นเครื่องกระตกุกไม่รู้ว่าดีว่าชั่วว่าผิดว่าถูกประการใดเลยและมันมีความค่อยคุนไม่เป็นความแยกแคในง่ายต่างๆเกี่ยวกับการไปการมาการทําอะไรตางนี่คือสติ คนไม่มีสติคือขาดเอาเยอะจริงๆเมื่อสติขาดจากตัวประเทียจริงๆแล้วคอยเหอียบบอกคนบ้าใจนะั่งรู้แต่ไม่รู้ไม่ได้ว่าผิดหรือถูกมีแต่ทำไปตามความอยากของกิเลสซึ่งมันครอบอยู่ในหัวใจนั้นอยากนั่งยัใหคนนั่งอยากเดินยังใหเดินอยากนอนยังอยกันนอน ความสกรปรกโซ่ม ม, มลลายไม่รู้ทั้งนั้นคืนไม่รู้ว่าเป็นสกรปรกของสกปกหรือสะอาดอะไรไม่รู้นี่อ่ะนี่บอกคนบ้ามันไม่รู้มันรู้เฉยเฉยมันไม่รู้ว่าดีว่าชั่วว่าสกรปรกว่สะอาดว่าควรหรือไม่ควรเป็นไปนั่งถนนสี่แยกเราไปเห็นแล้วที่อุดรานเเห็นทัดทาย นั่งจับนั่งหยิบนี่เอานั่นใส่นี่เอานี่ใส่นั่นดูกลางสี่แยกเลยเดียวรถวิ่งขวอกควายกลัวจะจะชนมันหลบมันโอ้โหจะตายเลยเพราะตอนนั้นตำรวจไม่มีเราแต่นํามามาคิดกันงหลายเยียาาแบบนมีเพียงแค่ความรู้เท่านั้นกับกิเลสเป็นผู้ควบคุมโดยไถ่เดียวไม่มีสติไม่มีปัญญาเครื่อง สอแทรกพอรู้สึกตัวบ้างเลยเป็นอย่างนี้คนเดาหนะกมันคือผู้ที่หมดสติหมดปัญญาจริงๆเป็นคนบ้าเราไม่ใช่ประเภทแห่งคนบ้าเรามีสติอยู่เหมือนอย่างคนทั่วๆไปทิสามัญชนทั่วๆไปแต่สติอันนี้เราใช้งานอะไรยังไม่ได้ไม่สามารถที่จะถอดถอนที่ด็ดปัญหาอสวะตามความมุ่งหมายของเราได้จึง ต, ต้องอาศัยสติ ที่เกี่ยวกับบทธรรมอันเป็นอุบายวิธีที่สามเป็นไปได้ในทางสำลักตอบทอนที่เด็ดหรือในความตั้งท่านให้กำหนดความรู้นี้ให้อยู่กับบ ท, รบ ท, าาทธรรมบทใดก็ตามเมตติอ้วกุงให้ติดทางานอยู่กับบทธรรมนั้นๆ นี่เมื่อมีสติคอยกำกับรักษาอยู่นี่เลย ก, ก็ไม่มีอำนาจที่จะฉุดลากจิตไปต่อหน้าต่อตาเราสู่อารมณ์ต่างๆใจย่อมมีความสงบได้ด้วยการรักษาของสติทันเรียกว่าความสงบสงบก็ต้องสงบได้ด้วยสเติเราต้องการจะใช้อุบาย ความแยบคายของปัญญาในการอันควรเราก็ต้องใช้จริงๆพิจารณาดูเรื่องธาตุขันของเราหรือธาตุขันของผู้ใดจัดใดตามเป็นเรื่องของมรรคทั้งนั้นพิจารณาเทียบเขาเทียบเราเดินไปไหนมันก็เห็นอยู่แล้วเรื่องจัดจัตธรรมไม่บกคล่องในโลกอันนี้กระเพาะอย่างยิ่งทุกข์กับสูงไทยมีเกลื่อนโลกเก็นจะหาที่ตรงที่วางไม่ได้ เพราะมีทั้งแต่เรื่องกองทุกกองสมุทัยที่เป็นองค์หัวใจจัดซึ่งมีอยู่ทั่วโลกจัดแต่ละประเภทมีมากมายนันมีทุกมีสมุทัยเต็มตัวด้วยกันเรื่องของทุกของสมุทัยเป็นสิ่งที่พึปาางปรารถนาและเหนือสมุทัยก็เป็นเครื่องเสริมทุกนะ่ะก็บอกอยู่แล้วจะหาความปุกที่ไหนหนึ่ึงต้องได้พิกให้มีจัดจั่ สองประเทศซึ่งเป็นคู่ปรับกันหรือเป็นเครื่องแก้กันคือมากได้เจิอุบายแห่งความภาคภูมิพิถนนาให้เห็นชัดเจ็มันมีอะไรในร่างกายของเรา น, นาให้เห็นตามความปินยาปีนเกลียวกับธรรมการปีนเกลียวกับธรรมก็คือความเป็นข้าสิ่งต่อบธรรมเพราะอํานาจของจิริตทาให้เป็นข่าสึ่งกาเนดดูเบื้องบนเบื้องล่างต้านขวางสถานกลางเบื้องบนก็ศีรษะเบื้องล่างก็พื้นท้ากาหนดลงไปมีกองอยยายุสัดว์เท่า ต, ตัวของเหล่านี้ ฝ่ายรูปแล้วดูเข้าไปข้างในมีอะไรมีกระดูกเป็น ท, ทันทาดเป็นชิ้นเป็นอันติดต่อเบี่ยวยงกันไปด้วยเสริโดยเอ็นมีหนังเป็นเครื่อง ห, งหอุ่มห่อมีเนื้อมีเอ็นเป็นเครื่องขับทาไว้ภายในแล้วก็มีผิวหนังบางๆอยู่ข้างนอก นีเท่านี้นิดเดียวเท่านั้นอัญญาก็แข่งมันขลุจะเรียกปลาโง่ถึงขนาดก็ได้หน้าละอายจิย่งเลตัญหาอาสวะเป็นไหนๆเพราะของบางๆแท้ๆไม่น่าจะหลงเลยมันนั่งหลงได้นี่แหละความแยกขายของจิ่เลตมันเหนือธรรม คำว่าเหนือธรรมรว่าเนื้อธรรมในใจเราที่จะต้านทานกิเลสได้ในเวลาเช่นนี้คือเรายังไม่มีกําลังทำได้แก่สติปัญญาเหนือกว่ากิเลสพอกิเลส จ, จะหลุดลอยไปเบื่อพลังของธรรมได้เพราะฉะนั้นกิเลส จ, จึงคอยแทรกอยู่ั้งๆที่เราจะพิจารณานี่เป็นอคิพระอธติพังทุกขงาาังอนตถากิเลสมันก็ฝืนอยู่อย่างซึ่งซึ่งซึ่งล่า น, านั่น มันทำไม่เห็นเสียเห็นแต่เรื่องของคนของเราของเขามองดูในแง่ไหนมีแต่ว่าเป็นเราเป็นของเราเต็มไปหมดในกองปฏิปูนโสโครกป่าชา้าพิดิบเต็มอยู่ทั้งตัวมันก็เหมาว่าเป็นคนทั้งคนเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักใคร่ชอบใจไปเสียทุกชิ้นทุกอันภายในร่างกายเนี่ยคือความฝืนทำของกิเดสปลาให้เป็นไป ดยเหตุนี้จึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมพยายามพิจารณาและพิจารณาพิจารณาเราบางคับจิตใจให้ทํามาในส่วนเหล่านี้ให้เห็นตามเป็นจริงสาลงมานะขาทังตาตะโจเวลาเห็นจริงๆแล้วมันสะดุดสังเวชจริงๆนะนี่ได้เคยเป็นแล้วผมเคยเป็นมาแล้ว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 มาในวันนี้ทั้งๆที่เกิดมากี่ปีกี่เดือนมีมากับตัวของเรากี่ปีกี่เดือนแล้วทําไมจึงไม่เห็นหน่ะมันเกิดความโกรธสังเวชมองอย่างมันเยิม้มเยิมเยิ้มนี่พอจอกไปเห็นสะอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นทีนี่มันก็เป็นกระดาษซึมเป็นดรรญามันสอดมันแทกมันซึงไปซึมไปซึม ไ, ไ, ไปที่ตรงไหนชัดเจนเกิดความโกรธสังเรวชไปทุก เนี่ยทุกมุมทุกอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนข้างบนข้างล่างเพราะมันเหมือนกันหมดดูไปไหนมันก็เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดมันจะไม่เกิดความสูตรสังเวชได้จากนั้นมันกฎพอกําหนดให้มันแสดงอาการหลายตัวทําลงไปโดยลําดับระดับมันก็เห็นได้ชัดไหลลงไปแสดไปเอาเวลาตายแล้วเป็นยังไง เวลาตายแล้วลเป็นอย่านังนั้นกนะําหนดดูกายนั้นแหละที่มันเห็นนั่นแหะมันก็โอ้ยพังสลายลงไปปบุปบปบัปบปุบปัับมองมันแตร่างกระดูกอยิ่งสลุดสังเวกใหญ่โตในขณะนั้นจิตมันเบาวี่อวิ่อวิ่เหมือนจะห่อหินเดินฟ้านะัทาทากทั้งทั้งจิตกำลังพิจารณาจิตใจมันเกิดความเกิดสังเวกนั่นมันเห็นเห็นอย่างนั้นนะเห็นกายเราเห็นเราเคยเห็นแล้วยางพระสัจเกียร แต่ความเห็นกายมันจะเห็นในลักษณะเดียวกันทุกครั้งทุกคราวที่เราพิจารณามันก็เป็นไปได้ครัง้งหนึ่งเห็นดังหนึ่งครัง้งหนึ่งเห็นดังแต่มันก็นับเข้าไปอย่างแน่ใจว่าคือความเห็นกายเหมือนกันเห็นจะไม่สะดดตังเก่นขนาดนั้นมันก็มีผลเป็นคนละฐานเพราะความเห็นมัน ผิดแปลกจากการประเดิมแบบผลปรากฏขึ้นมาก็มีลักษณะผิดแปลกแตกต่างกันไปตามเหตุที่พิจารณารู้พิจารณาเห็นนั่นะเรื่องปัญญาเวลาเราใช้ให้้า้อย่างนั้นพิจารณาบางท้บอย่าให้มั น, น, นหนีไปไหนดูถ้าจะพิจารณาก า, ายใดก็ตามอัตตาวาพระหิตขาวากายเยกายานสุสีหารติพิจารณากายนอกก็ กายในก็ดีเห็นกายในกายส่วนหนึ่งของร่างกายในร่างกายทั้งหลายเช่นมองเห็นผมในร่างกายหรือเห็นผมในผมทั้งหลายก็ได้เห็นผมในร่างกายทุกส่วนก็ได้คนเห็นเล็บเห็นฟันในของของกายทั้งหลายเดี๋ยส่วนหนึ่งของส่วนทั้งหลายในร่างกายเห็นกายในกายฮะเห็นข้างนอกก็ดูข้างนอก เกี ย, กยร์ยกเกียรภายในเกียร์เกียรทั้งภายในทั้งภายนอกันก็บอกไว้จากอย่างการเกียวกัิบธรรมนี่คือทางดําเนินเพื่อความตอบแอนที่เด็ดจันห า, าอาสวะอวิชชาอุปาทานออกได้ด้วยการพิจารณาเนี่ยงานของพระให้พิจารณาอย่างนี้อยาไปเป็นกังวลกับสิ่งใดในโลกนี้ให้เหมือนกับว่าเรามีเราคนเดียวอยู่กับกองกระดูกนี่ อหอบกันไปหอบกันมาหอบทั้งายืนพายืนพาเดนพานพานพางนพานพานพายืพายืนพายืนายนพายืนพายืนพายืนพายกายืนพายนีาตามหนพา ร, รืนาติของมันนอกจากาืั้งยืนพายันปรยยืนพายืนพาืนาืนพายนพายนพายนเป็ น, น, าปนขางหลพาก็นยิ่งาพิยมพานพยน า, นานยืนายืนาืนพานานพายืนพายืนพืนพยืนพายืนพายืนพายืนยืนพายืพายืนพายนพายืนพายืนพายายนพาายืนายืนนายยนพยืนาืยาย อ, อนเพียทั้งหมดเพราะกำลังใจไม่มีมีแค่ที่เหล็กพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเดินตามแถวเนี่ยแถวสัตว์จะทำทั้งสี่คือทุกข์สมุทยัยเป็นทางเดยทุกข์เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์มันทุกข์อยู่ที่จุดไหนก็ให้แยกแยกความทุกข์นะั้นออกจาก หรือเทียบเทียงกับสถานที่กับวัตถุที่มันกําลังเป็นทุกนั้นแยกแยะดูให้เห็นตามความจริงของมันเพราะหลักตามหลักธรรมชาติแล้วทุกคเวทนาเป็นอันหนึ่งตางหามันไม่เฉยมันไม่เฉกายไม่เหฉวมังไม่เฉวผมไม่เกิดผลไม่เฉวเลือดไม่เฉวสันอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งต่างหากของเขาต่างอันต่างจรินต่างอันต่างจริง แม้ขณะที่ทุกกำลังโผมตัวเข้ามาภายในร่างกายร่างกายก็ยงมีความรู้สึกตัวเองในตัวเองเลยว่าได้รับความทุกข์ความทรมานจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่รู้ความหมายในตัวเองด้วยไม่รู้ความหมายในทุกที่กำลังเกิดขึ้นกั้นด้วยแม้แต่ทุกก็ไม่รู้ความหมายของทุกด้วยไม่รู้ความหมายของกายส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยต่างอันต่าง ไม่รู้เรื่องของกันจึงแสดงออกมาตามความผิงของผลเท่านาั้นปัญญาพิจารณาให้เห็นชัเจนอย่างนี้ระแยกออกได้ดูทุกข์ดูทุกข์เป็นางานงานเกิดมาจากที่ไหนที่ไหนว่าเป็นทุกข์แทะเข้าไปปัญญาจดจ่อเข้าไปยาถอยหลัง อ, อ่าก็ดูเป็นทุกข์เวลานี้กระดูกกําลังจะแตก อ, อืมนั้นเจ็บมันปวดด้วยล้าไปหมด อ, อืภายในกระดูก ส่วน น, วนั้นส่วนนั้นจอดจอด่จอลงไปเจาะจีบลงไปอันไหนมันเป็นทุกข์จริงๆกระดูกเป็นทุกข์หรือคนตาแล้วกระดูกมีไหมอาจจะเผาไฟกระดูกแสดงอาการโกรธกวาดเพราะความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ไหมมีไหมมันไม่มีมนางเนื้อเองกระดูกแต่ละสัะส่วนมันเหมือนกันหมดเป็นตามหลักธรรมชาติของตน ด, ดูโดยลําดังของตนไม่มีความหมายตัเอง นอกจากจิดเป็นผู้เป็นหมายให้เท่านั้นเป็นหมายแล้วก็หลงความหมายหลงตื่นเงาของตัวเองอนั้นเป็นทุกข์ น, นี้เป็นทุกข์นั้นเป็นเรานี่นเป็นของเราเมื่อทุกข์กับการสัมผัดสัมพันธ์หรือข้าวเป็นี้มันเดียวกันแยกปิดก็พัวพัน์แล้วมันก็ต้องหอกทุกข์ขึ้นมาอย่างหนันกเมืเอ่อเราพิจารณาแยแยะด้วยปัญญาอย่างนี้เราจะเห็นได้ยอย่างชัดเจนว่า ทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยก็คือสภาพธรรมอันหนึ่งหรือสภาวะธรรมอันหนึ่งเท่านั้นหนักกายก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งความที่มันหมายว่านั่นเป็นทุกนิ่งทุกเป็นไปจากสัญญาซึ่งเป็นช้าหยดออกมาจากกิเลสประเภทต่างๆอยู่ภายในในั้นให้สัญญามาเป็นเครื่องมือ จักจองที่ไหนที่นี่สาคัญที่ไหนที่นี่ว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นน้รกว่าเป็นนี้กําหนดลงไปย้อนามาดูใจตายไม่เหลือเป็นทุกข์แยกดูใจเห็นมีแต่แต่ความรู้เท่านั้นตายคนเดียไม่ปรากฏว่าเป็นทุกเป็นทุกข์ที่ไหนอทุกข์มันก็เป็นทุกข์กระดูกก็เป็นกระดูกกระดูกเป็นต้นมันก็เป็นกระดูกทุกมันก็เป็นทุกข์เป็นความปีนห้องมัน จิตผูรู้สิ่งอย่างนี้ก็เป็นความจริงตัวอันหนึ่งเมืม่อแยกเห็นชัดเจนมล้วเรื่องความทุกข์กับตายมันก็ไม่เข้าปสานกันความทุกข์กับกายก็ไม่กำเนิดถึงจะกําเริดขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะทำความเราก็กระทบกระเทือนแก่จิตใจได้เล ย, เ, ลยเพราะใจิตใจรู้เท่าทันด้วยอำนาจของปัญญาที่พิจารณาเท่าทันก็อยู่อย่างสะดวกสบายเหนี่ยการพิจารณาพิจารณาอย่างนี้ เรื่องของปัญญาเวลามันเป็นกรอบเป็นมุมจริงๆนั้นแหละเป็นเวลาปัญญาจะเกิดคุณเราไม่ไมีความโง่อยู่ตลอดเวลาถึงกาเป็นกอบเป็นมุมหกักผิดหักคิดสติปัญญาขึ้นมาช่วยตัวเองแล้วปลดเปลื้องรอดท้นไปได้มีเคยเป็นแล้วอาจาอามาพูดแบบรุนรุนดาวๆาให้หมุนเว่ยทําเราเคยปฏิบัติมาแล้วทั้งนั้น จึงสามารถอุทานขึ้นภายในจิตใจจากอาหารโอ้ความงู้คนเรานี่มันจะมันจะงู้อยู่ตลอดเวลาเวลาถึงกาจนตัวจริงๆเช่นขนาดนี้ไงนี่เราได้ความเฉลียฉลาดปลดเครื่องสิ่งทั้งหลายเรานี้ได้ด้วยอำนาจของปัญญาความฉลาดแหลมคมของเราเพราะความเจนเกาะในทุกทุกมันบีบคั้นมันบีบบังคับเหมือนกระดูก หรืออวัยวะทุกส่วนนีจะแตกกระจายทาลายลงมหาสมุทรทะเลไปหมดนี่ความทุกข์หนักมากขนาดนั้นแต่คุณภาพสติปัญญาไม่หยุดไม่ถอยขู่เกลียวขุดค้นอยู่ในวงนี้จนเข้าใจตามความจริงแล้วทุกทั้งหลายมันก็หาความกาเนิดต่อไปอีกไม่ยากแม้มันจะกาเนิดต่อไปอีกเส่นถึงมาระศรันี้น มันก็กำเริบตามเรื่องของท่าของขันต่างหากของทุกข์ของกายต่างหากจิตไม่ได้กำเริบจิตมีความคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่โดยลำธรรมตัวเองก็เห็นได้อยา่างชัดเจนเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะสโท้อนกระทันต่อความทุกข์ความตายที่ไหนกันเพราะความทุกข์ก็เป็นจัตติธรรมอันหนึ่งความตายก็เป็นจัตติธรรมอันหนึ่งผู้รู้ความสุกความทุกข์ทั้งหลายก็เป็นความจริง อ, อันหนึ่ง ก็เป็นก huh. ิกรรมมันหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องปัญญาก็เป็นกิจกรรมอันต่างอันก็ต่างจริงเมื่อต่างอันต่างทริงแล้วเรื่องทั้งหลายก็ไม่กระทบกันทุกข์เป็นไปมากน้อยยึดทนไม่ไหวจะไปหรือไปก็ไปเราเยือนเรื่องเกิดแจ็เจ็บตายนี้เย็นมาตั้งแต่วันเริ่มได้ปฏิบัติดูแล้วเมื่อสักขีพยานตากรขึ้นมาเราจะหลบดีจิกตัวไปไหนทําไมจะเอามือเขียนหน้าปีนลบหละก ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงจิงถึงขนาดที่รู้จริงงจริงแล้วหลงมันอะไรกันนะมันไม่หลงเพราะตอนนั้นแต่ความกล้ามันก็ไม่มีทํามันเต็มที่ของมันแล้วความกลัวก็ไม่มีความกล้ากล้าหาอะไรกลัวกลัวหาอะไรมันเรื่องของสมมุติทั้งนั้นอืมเป็นจิตเป็นธรรมดามมันก็ต้องกล้าต้องกลัวไงท่านที่กล้ามันก็ต้องกล้า เรื่องของปัญญามีเป็นมากของกล้าหาญต่อทุกเวทนาไม่หยึดไม่ถอยสู้มันจนทายมวิถีการเดินของมากย่อมมีความกล้าแต่เมื่อผ่านจากนั้นไปแล้วความกล้าก็มความกลัวก็มีเพราะมันพ้นแดนของความกล้าความกลัวไปหมดแล้วเข้าถึงขั้นแดนป ก, กติสงบราบคาบโดยหลักธรรมชาติแล้ว เมืม่อเราเ้าไปแทรกไปขินไปเพิ่มไปเติมนีมม่จะตัดออกทำไมล่ะจะเพิ่มเข้าก็ไม่มีทางเป็นหลักธรรมชาติตายตัวแล้วมีการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาหาอุบายคิดชอกชอกแทกซิกแทกซิกวันหนึ่งได้อุบายหนึ่งขึ้นมาก็ดีสองสามวันได้อุบายหนึ่งขึ้นมาก็อย่างดีเมื่อค่พิจารณาไปเรื่อย วิตกปัญญาก็จะค่อยมีกำลังแล้วค่อยแต่แขนงไปเรื่อยแต่แขนงไปเรื่อยจนซ่านไปหมดทั่วสนหนังร่างกายแล้วยังซ่านไปทั่วโลกทั่วสงสารพิจารณาเทียบเทียงได้ทุกสัดทุกส่วนอัตฉวาหิธาวารเห็นรู้แจ้งห็นจริงไปหมดกลายเป็นโลควีทูรู้แจ้งภายในตัวแล้วยังรู้แจ้งสภาพความจริงทั้งหลายทั่วโลกทั่วสงสารมันเป็นแดงสมนติเหมือนเหมือนกันหลงกันที่ตรงไหนนะ อำนาจของปัญญาให้ช้ให้พาการขมักเมึนอย่าพากันนอนตายเวลานี้เราอยู่ในที่สงบสงัดาที่การงานอะไรผมพยายาเขมึนให้ห่ดในความสะดวกสบายให้ท่มสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนทุกด้านลงเพื่อถอดถอนจิตใจซึ่งกําลังเรียอร้องหาความเฉลือจากเราอยู่เนื่องจากที่เรศปีบังคับ จนหาทางออกไม่น่ายอยู่ที่ไหนยืนเดินนั่งนอนมีตั้งเแต่ความบีบบังคับของกิเลสภายในหัวใจเราจรึงช่วยใจของเราด้วยความภัคเพียงด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาทุกด้านทุกแง่ทุกมุมที่จะให้รอดพ้นหรือบรรเทาความทุกข์ทังท้งหลายลงได้คําว่าบรรเทาความทุทกข์ก็คือบรรเทาสมุทัยนั่นเองแต่สมุทัยไม่บรรเทา ไม่เบาเลยบ่างทุกข์ทางใจก็จะหาที่เบาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคำว่ายจิงมีของสำคัญเป็นก่ารว่ในธรรมจักรกับโพธิสูตรทั้งพูดยอ่อๆมาการการมว่าตัณหาเพราะตัณหาวิภวะตัณหานั้นที่ราคะราคะตาละตะ ต, า ต, าตาุตะเนยหนีหนมาบ่อย่อก คือเอาตัวหัวข้อเป็นความใหญ่ใหญ่การมตัตหฐานคือคือความรักความแข็งเนี่ยตีครับแตกขแขนงแต่สักกี่ร้อยกี่พันขแขนงก็ได้มันก็อยู่ในหัวใจทั้งหมดที่กันกลางนั้นเราอยากเข้าใจว่าสึงเหล่นี้นมีอยู่ในกรรมัมภีรนะการมตัตรฐาตัวเป็นการมตัตรานจริงไม่ได้อยู่ในกำภีรอยู่ในการของเรานั่นเป็นชื่อของการมตัตหาชื่อของกิเลสชื่อของธรรมให้น้อมธรรมภายนอก เข้ามาเป็นเข็มทิศทางเดินทำภายในใจของเราจึงถูกต้องผู้เยน็นข่ึนจดจมเพื่อจะน้อมเข้ามาสู่ภายในจิตปฏิบัต ภ, ภายในจิตถางวาไว้ย่อยๆอย่างนั้นตับเตรียมมีวันมีคืนการประกอบความภาคเพียงต่เราไม่ได้ทำงานร่างการมันหนัก ให้เดินให้มากการเดินเป็นการออกกําลังพเพื่อนี้ท่านนั่งมากมันก็ทําให้เจ็บนั่งปวดนี้เอี๊ยบวดไม่เสมอไม่ดีการเดินเดินนั่งนอนให้เสมอพอออกมาจากที่นั่งแล้วลงเดินเดินมันจะเมือ่อยเป็นไรอ่านี่แหละคือทํางานทํางานภารกิจด้วยเป็นอนามัยทางร่างกายด้วย จิใจร่ากาของเราก็ยืดเนร็จสายสะดวกสบายเลือกชมเดินสบายสะดวกที่อยากพ่อะพาเดินพานั่งพานอนพายืดในนักพรรษาสามเดืนเอนนี้ันเรื่องความภาพความเลียนอยากเป็นกังวลกับสินใดํานะปัจจัยเทอทาง์ก็เรี่ยงจะเป็นเหลือเฟือ มาทานทุโงเพื่ออยากจะได้น้อยๆฉันน้อนๆภาวนาให้ดีภาวนาดีๆมันกลับกายตป็ยิ่งมากขึ้นกว่าธรรมดาอย่างที่เห็นนั่นดูีถ่ายบาดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเป็นมาเปแต่ในบ้านถ่ายในบ้านแล้วยังไม่แล้วมากางทุ่งนานี่ผมมาถ่ายอีกทีน่งมาที่ใส่บานนี่ถ่ายอีก เราจะได้น no ้อยๆกลับได้ยินได้มากขึ Leah, ้นกว่าปกติธรรมดาที่นั่นเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของศรัทธาเขาตามปฏิยาในี้มาเขาว่าเราใครกอยากได้บุญได้บุญสวนคุณ <c oughs> um, ่วบส่วนบุญส่วนบุญส่วนบุญสวนักปฏิบัติขวนเราเรากบอย่านบุญเ่วนบ่วนบุ่วนบวนบุวนบุญส่วนบุญั่วหบุญส่วนบวามุนบุญส่วน่วนบุญส่วนบุญวนบส่วนบุญส่วนอุญ่วนบุนบุญสวนบุญวนบุญ่นวว่ ความหิวความายความขาดตกบกพร่องหรือความสมบูรณ์นี่เป็นเรื่องของโลกที่เต็มไปด้วยจังทุกข์ของหน้าตาผลนรุ่ดนดอ น, ดนหาความสม่ำเสมอไม่ได้อยา่าไปเป็นกันวนงวลกับมันสิ่งที่เราเจ็บจอดต่อเนื่องกันไม่หยุดไม่ถอยคือความคากเคียนภายในจิตใจของเรานี่เป็นทางถูกต้องให้พักไปพปฏิบัติเคิ ทำเพื่อนมาทานทุ่ดมค่อนการได้รับอาหารตามมามีมาเป็นประจำมาตั้งแต่ผมนำมุมเพื่อนดาเนินอย่างนั้นเรื่อยมาให้มันจะอีกที่ไหนดาเนินอย่างนั้นเพื่อให้มเพื่อนได้หลักได้เจอรู้จักวิธปีปฏิบัติมีครูบาอาจารย์นำเป็นผู้นำผมมาทำประจำอาทิตย์ละสงผมมัน ในยุคที่จะไป้ ล, ง จ, ลงจะหงสรัทาที่คนนำมาให้มาให้มันเร็วที่สุดนะม น, มนุษย์ตปล่าแต่ลงลอนลมงศรัทธาล้ใครโอ้ท่านงให้และใคไม่หลาได้นั่งลงทันถี่จิตใจขอโทกเป็นอย่างนั้นไม่ะดวกในจิตใจเราที่จะทำอย่างนั้ น, กกนไการปัญาใมาเอาให้จริงให้จริอย่าไปคิดกับเรื่องของผู้ใดามาเป็นอารมณ์ให้เสียยร่ำเวลา กับเรื่องใดก็าตามดูตัง้งแต่หัวใจที่มันดิ้นมันเติดตลอดเวลานี่มันทำงานของมันมันถึกเรื่องสมุทัยละเป็นส่วนมากในตีใจกำหนดบังคับบัญชาหาอุบายวิธีในเรื่องความพักเพียนให้มันมีหลายแง่เลายในโดยบาของปัญญาของเราให้ดี บางทีเพืนเรน า, าไปมีกคําบริกรรมบทเดียวบทเดียวนั้นมันทําให้จิตชื่อแต่เหมือนกันนะให้พลิกจิตคลิกไปคลิกมาด้วยอุบายสติปัญญาของเราเนี่มันจืดชืดไปแล้วนั่นมันไม่เป็นทางคลิกหาเงื่อนที่มันจะสิดต่อที่มันจะดืดดึงจนได้ด้วยปัญญาของเราที่เคยทําเปลี่ยนมาแล้วมันจะ น, นำมาพูดหเพื่อนฝ่า ตอนนี้ไปท่านปัญญาอธิบายคุกค น, นผมมาแต่คืนไม่เฉนอนะผมกนเหนื่อยนะเพราะว่นนั้นดอเท่า